ขอความสุขความเจริญจงมีแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายเจ้าท่ามจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องภาษาริบุตรเทระอีกอตอนหนึ่งนะฮะคือเป็นเหตุการณ์คนละตอนกันแต่จะถามว่าตอนไหนก่อนตอนไหนหลังเนี่ยก็ตอบไม่ได้ เพราะว่าในพระบาลีนั้นได้จะบอกว่าสมัยเดิงพระผู้มีพระภาคจาเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่นั้นพระษาลิบุตรเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือจะบอกถนองนั้นเวลานํามาเรียงก็ท่านเรียงไปตามหมวดหมู่หมวดนี้เรียกว่าอารหันตวัต ค, คือหมวดของพระอรหรันต ในเรื่องแรกที่เราพบมาแล้วก็คือคุณสมบัติของพระสารีบุตรแม้จะถูกกล่าวหาท่านก็ไม่ถือสาความอะไรไมีนำซ้ำยังขอโทษแก่ภิกษุหนุ่มที่กล่าวหาท่านด้วยจิตใจของท่านก็เหมือนน้ำลงไฟอากาศหรือไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบก เรื่องต่อไปนั้นพระศาสดาส่งปรารบพระสารีบุตรเทราบพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ30รูปคือการสวดดูอุปนิสัยของสัตว์โลกเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพุทธกิจ คือเป็นภารกิจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในตอนตอนใกล้รุ่งของแต่ละวันท่านก็จะตัวดูสัตว์ตลกทีนี้ใครที่มีบา ร, รมีแก่กล้าเนี่ยก็จะปรากฏภาพขึ้นในขายพยานของปรอง พระองค์ก็จะศึกษาภูมิหลังของท่านเหล่านั้นว่ามีบุญวาสนาบารมีในเรื่องอะไรมาสามารถจะบรรลุธรรมได้โดยการแสดงเรื่องอะไรและแสดงอย่างไรและจบลงแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งพระองค์ได้ทอดประเนตรเห็น ผุปนิสัยของพิกสุที่อยูปปาสามสิบรูปมาเฝ้าก็สัตว์เรียกประสาริบุตรมาถามเป็นปริศนาชวนให้คิดแล้วก็ยากต่อการทำความเข้าใจพระภาอยย่ป่าก็ส่วนมากก็ตรึกนึกถึงธรรมะแม้แต่ในขณะที่เจริญกรรมฐานก็ยกธรรมะขึ้นมาตรึกนึกมาเหนียวนึก มาพินิจพิจารณารับสั่งถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรโดยเชื่อไหมว่าอินทรีทั้งห้าอันบุคคลทำไมมากแล้วยังลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดอินทรีทั้งห้านั้นก็คือศรัทธาความเชื่อที่เป็นใหญ่ สามารถขจัดอสัตยิยะคือความไม่เชื่อในรูปแบบต่างๆออกไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็ชื่อเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจศีราก็ในสีเรื่องใหญ่ในขณะเดียวกันก็ขจัดความไม่เชื่อความเครือบแคลงสงสยัย แล้วก็ตลอดถึงพวกโลภะพุกโทสะพวกโมหะออกไปมาความ่าถ้าเป็นใหญ่จริงๆสมบูรณ์จริงๆเนี่ยก็เป็นพระหันไปเลยแหละอย่างที่ทรงแสดงว่าสทายตรติโอขังบุคคลจะข้ามห้วงน้ำคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้โดยศรัทธา แสดงว่าศรัทธานั้นเป็นตัวนำจิตของบุคคลให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คือจนจนถึงเป็นพระราหารันอย่างที่เคยเล่าเรื่องประวัติพระตปาละ ร, รัฐบาลนี่มาเราจะเห็นว่าเป็นคู่ผู้มีความศรัทธาหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะถูกโยครอนคงขูล่อลวงด้วยผลประโยชน์ต่างๆเท่าไรก็ตามท่านก็ไม่ยอมจำนวนเอาขนาดว่าพ่อแม่สั่งปิดล้อมหมดปิดล้อมบ้านทั้งหมดไม่้ท่านหนีออกไปได้ท่านก็ลอยทะลุขึ้นไปจากหลังคาบ้าน ไปลงที่อุทยานของพระเจ้าโกรพยะแล้วก็ไปสนธรรมะสนธนาธรรมะกันนั้นแสดงว่าทานรดพ้นได้โดยศรัทธาหรือประวัติกลิที่ปักใจฝังใจในการดูพระพุทธสิราของพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าเห็นว่า เป็นเวลาสมควรแล้วที่จะให้ท่านได้สนักสำเนียกแล้วก็เปลี่ยนจิตจากยึดจิตในพระรูปกายของพระองค์มาสนใจในธรรมะก็รับสั่งว่าวัคลีพิขุจงถอยออกไปจะมาดูใยร่างกายตถาคตเป็นของเปลือยหน้าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ปได้เห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแต่ไมเพราะวัคกาลีน้อยใจว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ไปทาอะไรเมื่อไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ ข, ขึ้นไปสู่ยอดเขาคิดจะกูดคิดจะกระโดดภูเขาให้ตายพระเจ้าปรากฏพระองค์อยู่รางอากาศ แต่วก็เรียกให้พระวักกะลิไปหาทานเกิดปีตีปราโมที่เห็นพระพุทธเจ้าจิตก็รวมเป็นสมาธิแล้วจากนั้นก็อาศัยสมาธิเป็นบาทเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลไม่เห็นหนทางที่จะไปพบพระพุทธเจ้าที่ประเวฬุวันซึ่งก็อยู่ห่างกันพอสมควร แล้วก็แสดงฤทธิ์ลอยไปในอากาศไปกราบลงแทบบาทพระพุทธเจ้านีก็แสดงว่าเกิดด้วยศรัทธาวพาศรัทธาจึงเป็นธรรมะที่มีความสำคัญถ้าหากว่าถึงระดับอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนแล้ว นอกจากจะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วยังเป็นผู้นำที่ดีได้ด้วยประการต่อไปวิริยะคือความเพียรที่พัฒนาขึ้นไปจนเป็นวิริยีอินซีคือวิริยะสามารถขจัดกิเลสประเภทเกียรติคลานในรูปแบบต่างๆข้างกายข้างใจหดหู่ใจใจที่ไม่พร้อม จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้สงบประงับจนถึงกระดับไปในที่สุดนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเป็นอินทรีย์แล้วเนี่ยเขาก็นำคนให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าวิเดนะดุขมันเจติคนล่วงทุกไปได้เพราะความเพียร คายความด้วยความเพียรเป็นผู้นำเนี่ย <c oughs> จะทำให้สถาก็สมบูรณ์ขึ้นหมายความว่าความเพียร น, นี่นำคนไปสู่มรรคผลนิพพานได้ประการต่อไปคือสติเป็นสตินซีอินซีคือสติเมื่อเขาเกิดขึ้นสมบูรณ์เนี่ยอาการ เขาเรียกว่าสติสัมโมสาคือความหลงลืมเลื่อนเลือนมือลอยเพื่อเรอเพราะปราศจากสติก็จะหมดไปจากจิตใจก็เป็นใหญ่ในภารกิจของตนมีสติะระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นทั้งก่อนทำทั้งขณะทำ ทั้งหลังจะทําไปแล้วทั้งก่อนพูดขณะพูดหลังจากพูดไปแล้วทั้งก่อนคิดขณะคิดหลังจากคิดไปแล้วมีสติแผ่ซานคลุมพื้นที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจนถึงระลึกย้อนอดีตไปได้ไกลรลึกย้อนอนาคตไปได้ไกลๆระลึกรายละเอียดในปัจจุบันได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน นี่ก็เหมือนกันคือทำให้นำจิตคนเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานได้อย่างพระพุทธเจ้าพระหานั้นท่านเรียกว่าสติวิปุโลคือมีความสมบูรณ์แห่งสติสตินั้นก็จัด ก, กิเลสได้เยอะอะกระเจนว่าสติก็คือความไม่ประมาท น, นเองเมื่อเราอยู่ด้วยสติเนี่ยกิเลสแม้จะเกิดมันก็สงบได้ ปัญหาว่าสติมันเกิดไม่ค่อยทันเนะนี่สมองคนทั่วไปแต่ว่าก่อนท่านที่เป็นสตินสีนั้นพวกนี้มันเป็นฐานของใจใคล้ายๆกับน้ำในภาชนะที่สะอาดเนี่ยอะไรหยดลงไปนิดๆหน่นนอยๆแม้จะสกปรกกระเถิกมันก็ละลายหายไปเลย อารมณ์ที่ไม่ดีนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ละลายหายไปไม่มีเชื้อไปรองรับเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้รับเชื้อไม่มีหมายความมาธาตุนาเนี่ยไม่มีอนนี้ตัางสาชนลองสังเกตเราเทียบเคียงคล้ายๆกับแมลงวันหยอดไข่ในหินหยอดไข่ในกระจก ยอดไข่ในแผ่นกระดานยอดไข่ในแผ่นเบื้อะเบื้องอะไร ต, ะต่างๆพวกเหล่านี้ไม่มีทาตุนาวไม่มีเชื้อน้าวอยู่แต่ยหยดนะคงมีสิทธิ์ดแหละแต่หยดแล้วตายหมดคือเชื้อตายหมดแต่ถ้าระหยดในปลาในเนื้อซึ่งมีเชื้อเน้าวมันก็กลายเป็นไข่ขางกลายเป็นนอน แล้วถ้าปริมาณของเนื้อของรามันมีมากมันก็ขยายออกไปได้มากเราเห็นว่าไอ้พวกเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์เนื้อคนเนี่ยเื้อสิ่งมีชีวิตปุยง่ายเนื้อสิ่งมีชีวิ ต, นน ม, วตมันจึงจะเป็นนอนได้แต่ว่าจิตใจของท่านที่สมบูรณ์ด้วยสตินั้นมันไม่มีเชือ้อไม่มีเชื้อหน้าไม่มีเชื้อนอนดู ท่านก็มีสติที่สมบูรณ์ประการต่อไปก็คือสมาธิเป็นสมาธินีคือเป็นใหญ่ในเรื่องของจิตที่สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกซ้อนอยู่คือไอนะ้มีเนี่ยมันก็มีหละ่ะ ในระดับของสมาธิแต่ว่าถ้าไม่มีแรงกระแทกอะไรจากข้างนอกมันก็ไม่ฟูขึ้นมารับตรงนี้ก็อุปมาคล้ายๆกับก้นภาชนะที่มีตะกอนอยู่แต่น้ำในภาชนะนี่มันเยอะมากพอเรามองลงไปเราก็เห็นน้ำใส่ตักดื่มได้ทันที แต่อย่ากวนวในแรงๆก็แล้วกันยี่งแต่ว่าถ้าปริมาณน้ำยังมากท่วมท้นอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นมาเราแต่ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ใกล้ตะกอนเข้าไปตะกอนก็คุ้มขึ้นมาได้นั่นในชั้นของสมาธิแต่พอเป็นสมาธินีอินซีคือสมาธิเนี่ย ก็จะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแหละไม่หวั่นไหวเพราะนั่นคือทรงแสดงไว้ว่าสติโลกาสมิชาคโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกความหมายเดียวกับพุท ธ, ธเนี่ยความหมายเดียวกับพุทธแปลว่ารูปแปลว่าตื่นแปลว่าบิกบานสติก็แปลว่าตื่นในการตื่นตัวอยู่ตลอด สมาธินั้นก็ทรงแสดงรับรองไว้ว่าเป็นผู้นำไปสู่นิพพานได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าสมาธิพิกเวภเวทะสมายตโตยะถาภูตังปชาณติดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดพระคนที่จิตเป็นสมาธินั้นจะรู้เห็นตามความเป็นจริงสมาธิจึงขัดจัด ความไม่สงบแผงจิตที่เรียกว่าเจตสุวูป so ัสสะคือไม่สงบแผงจิตถ้าไม่เกิดอาการเจตสุวูป so ัสสะคือความสงบแห่งจิตกิเลสมันก็ไม่ฟูขึ้นน่ะจากใจที่จิตสงบแต่ว่าถ้าถึงขั้นดิสมบูรณ์หมดทั้งห้าข้อนะฮะหมายความวาท่านก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้ว ต่อไปปัญญาเป็นปัญญินซีอินรีคือปัญญาเป็นความรู้ที่สว่างโพงขึ้นภายในจิตใจมุ่งขจัดกิเลสประเภทโมหะโดยตรงเพราะโมหะมันเป็นรากงาของสัรพกิเลสทั้งหลายจะมีชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้มันมีโมหะเป็นรากงาวเป็นอวิชาเป็นรากงาวของมันเมื่อจิตมันสว่างโพลงขึ้นด้วยปัญญา ก็ทำหน้าที่ก็จัดอวิชากจัดโมหะออกไปอวิชานั้นมันตรงกันข้ามกับแสงสว่างคือตรงกันข้ามกับวิชาคือแสงสว่างเมื่อวิชาเกิดแสงสว่างก็ดับไปไม่ใช่เมื่อวิชาเกิดเนี่ยความมืดกระดับดับไปจนถึงสูงสุดก็คือดับตัววิชาซึ่งเป็นรากงาว ของสัพพกิเลสที่มีชื่อโดยประการต่างตา่างเพราะันโมหะจึงไม่มีอยู่ภายในใจมันมีแต่ปัญญาวิชาแสงสว่างอยู่ภายในใจกองท่านแต่ว่าการถามของพระพุทธเจ้านั้นมุ่งให้คิดเป็นปริศนาเพื่อดึงดูดความสนใจของ ภิกษุที่มานั่งอยู่เนี่ยคือท่านมีพื้นภิกษุเหล่านั้นนะท่านมีพื้นที่จะเข้าใจได้แต่ต้องอธิบายความหมายความมาท่านอยู่ในป่าท่านก็คิดกันแต่ละคนต่างก็คิดไปพระเจ้าก็มาดึงเขาหาประเด็นที่เป็นหลักคือปรับอินทรีย์ให้เสมอกันปรับศรัทธาเสมอกับปัญญาปรับ วิริยะให้เสมอก็สมาธิแล้วก็ปรับสติในมีลักษณะเหมือนจระเรคือตัวสอบทั้งศรัทธาทั้งความเพียรทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญาก็เหมือนกับยานพาหนะรถสี่ล้อนะฮะเราเห็นว่าสติก็เหมือนกับคนขับรถสองล้อขา้างหน้าก็เหมือนกับศรัทธากับปัญญา สองล้อข้างหลังก็เหมือนกับความเพียรกับสมาธิก็สามารถจะขับเคลื่อนไปสู่ที่หมายตามที่ตนต้องการได้เมือ่อผู้จะรับสั่งถามอย่างนั้นภาษาริบุเชื่อไหมว่าอินทรีย์ทั้งห้าอันบุคคลทำไม่มากแล้วยังลงสู่อมตะ อมาตะก็คือธรรมที่ทาบุคคลไม่ให้ตายถ้าไม่ตายจริงๆเนี่ยต้องไม่เกิดนะเพราะว่าในชาตินี้มันเป็นวิบากขันคือพระพุทธเจ้าก็ดีพระานก็ดีมีร่างกายที่เป็นวิบากขันซึ่งเกิดมาจากกิเลสกรรมวิบากอันนี้มันก็ต้องตายแหละ แต่ว่าต่อจากนั้นไปเนี่ยท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการเกิดไม่มีอย่างอื่นเขาช่อว่าไม่มีจะมีเท่าไหร่ก็ได้ที่สุดเนื่องจากการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดอย่างอื่นก็ดับไปหมดามาตธรรมนั้นทรงสแสดงครั้งแรกที่อิสิปตนะมรุกทยาวัน กับพระปัญญาวีทรงเรียกว่าบัดนี้เราบรรลุอมรุตธรรมแล้วมาเพื่อจะแสดงแกเธอทั้งหลายอมรุตธรรมนั้นเป็นสันสกฤตแต่อมาตธรรมนั้นเป็นบาลีความหมายก็เท่ากันนั่นแหละก็คือไม่ตายด้ยกก็แล้วก็ มีอมตธรรมเป็นที่สุดก็คือมีการบรรลุมรรคผลเป็นที่สุดพระเทราทูลทูลว่าก็ขัดแย้งกับความเชื่อของภิกษุเพื่อเป็นกระตุ้นในภิกษุได้คิดนท่านทูลว่าเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะ ผู้ใดรู้แล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาผู้นั้นไม่ต้องเชื่อผู้อื่นพิสูุฟังและขัดแยง้งเอ๊ภาษารีบุตรนี่เป็นยังไงเป็นสาวกแล้วไม่เชื่อาศาสดานี่เป็นยังไงคือเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับเขาบอกว่าแกงนี้อร่อย้าเราเชื่อว่าอร่อย และเรารู้ได้อย่างไรว่าอร่อยเราจะยอมรับว่าอร่อยก็ต่อเมื่อเราชิมเข้าไปเราสัมผัส ด, ด้วยลิ้นของเราดอกไม้นี้หอมเขาบอกมันหอมแต่เราจะไม่ได้กลิ่นเนี่ยเราจะเชื่อเหรอเรารับฟังว่าท่านผู้นี้บอกว่ากลิ่นมันหอมแต่ว่าถ้าเราจะให้ยอมรับว่าเออหอมจริงเราก็ต้องเอามาดมดู เดี๋ยวก็รูปสวยก็เหมือนกันบอกว่าสิ่งนี้สวยนะอาแล้วเรายังไม่เห็นนะ่ะสวยยังไงเราก็ต้องเอามาดูแล้วก็จะยอมรับว่าสวยหรือไม่สวยเพราะงั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งในฐานะที่เป็นปฏิเวร คำตอบของภะษาดิบุตรตอบในฐานะที่เป็นปฏิเวทแต่ว่าภิกษุเนี่ยคิดในฐานะที่เป็นปริยัตยิก็ปฏิบัติระดับหนึ่งภาษาดิบุตรตอบในฐานะปฏิเวทเพราะในแนวของปฏิเวทการสัมผัสอมรุต ธ, ธรรมเนี่ยก็เป็นไปตามสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ใน อ น, นัตตละกนาสูตรเป็นต้นนะฮะที่รักสั่งว่าตุกโกรณภิสูทั้งหลายริยะสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายในรูปนายในเวทนานายในสัญญานายในสังขารนายในวิญญาณเมื่อเบื่อนายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็พุน เมื่อจิตพน้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพน้นแล้วดังนี้แล้วก็รู้ชัดด้วยใจตัวเองว่าชาติสิ้นแล้วพรมรรจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีหมายความปัญญาคีทั้งห้าท่านเนี่ยต่างคนต่างเห็นไม่ใช่องค์เดืองเห็นแล้วองค์อื่นจะเห็นด้วยต่างคนต่างเห็นด้วยปัญญาอันชอบของตัวเอง ต่งคนต่างก็เบื่อหน่ายต่งคนต่างก็เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่ถึงจุดหนึ่งจิตก็คลายกันนะก็ต่างคนต่างคลายก็คงคลายใกล้เคียงกันเพราะว่าจบด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นประหารด้วยกันเนื่องจากท่านเหล่านั้นในขณะฟังเทศเนี่ยมันเป็นประสาบารณ์แล้ว ก็เรียกว่ามีพื้นฐานทัดเทียมกันแต่ความลึกซึ้งในรายละเอียดเราก็ไม่รู้หรอกมันเรื่องเฉพาะใจกันทันแต่ลองดูอาการนะอาการว่าเมื่อเบื่อนหน่ายก็คลายกำนัใ ค, คลายละใจใครก็ใจคนนั้นหละคลายเมื่อคลายกำนัดก็จิตก็พ้นถึงจุดหนึ่งี่จิตก็พ้นต่างคนต่างก็พ้น ต่างคนต่างก็พ้นด้วยตัวกุฏิจิตของตัวเองเมื่อพ้นแล้วยานเกิดผุดขึ้นก็ต่างคนต่างก็ผุดขึ้นแล้วรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ต่างคนต่างก็รู้ยานผุดขึ้นต่อไปว่าจากนี้ต่อไปนั้นการเกิดไม่มีอีกแล้วไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้ว การปฏิบัติเพื่อลาชั่วประพฤติดีก็ไม่มีอีกแล้วมันไม่มีชั่วให้ละดีมันก็สมบูรณ์หมดแล้วคือไม่ต้องบําเพ็ญละก็แล้วกิจอื่นในทํานองเดียวกันที่เกี่ยวกับการละชั่วประพฤติดีนะเกี่ยวกับการละชั่วประพฤติดีมันก็ไม่มีเช่นกัน แต่การสั่งสอนประชาสัตว์มันเกิดขึ้นด้วยปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาท่านก็ต้องทำในฐานะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกก็าทำโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้บุญได้บาปอะไรมายความมาสมมติว่าพระอรหันต์จะดุใครมันก็ไม่เกิดบาปเพราะไม่เดิดไม่ได้ดุด้วยกิเลสจะยกย่องสรรเสริญใครก็ไม่ได้บุญ ไม่ได้ยกย่องโดยกิเลสแต่ยกย่องโดยสัจธรรมมีสัจธรรมเปนตัววัดความถูกต้องก็ยกย่องมีสัจธรรมเปนตัววัดไม่ถูกต้องก็ตําหนิตอนท่านทํางานอยู่กี่ปีก็ตามท่านก็ไม่ได้ใบ ไ, ได้ทั้งบุญทั้งบาปก็เรียกเป็นกิริยาจิตตังคือสักแต่ว่ากิริยาเท่านั้นเอง แล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อแสดงอย่างนั้นแล้วจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรอดโทษไม่ใช่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ไม่รับสั่งอะไรนะฮะเพราะว่าถูกต้องตอบปริศนาได้ แต่ว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจเนื้อความจึงกล่าวว่าประษาลิบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาจึงทรงอธิบายว่าเราถามว่าผู้ที่ไม่เจริญอินทรีย์แล้วสามารถกระทํามรรคผลให้แจ้งได้เชื่อไหมสาริบุตรจึงตอบว่าไม่เชื่อดังนี้เมื่อจะ ทรงแก้ความข้อนั้นจึงจัดพระคาถาพระคาถานี้ข็าจะยากนะว่าอัศโทอักตันยูจะสั้นทิเชโดจะโยโนโรจนใดไม่ต้องเชื่อผู้อื่นรูปนิพานเป็นที่ปัจจัยธทมไม่ได้ด้วยตัดเครื่องต่อเสียด้วย หมายความว่าเมื่อเราสัมผัสแล้วอะเรารู้ว่าเกลือมันเค็มเพราะเรากินมาแล้วรู้ว่าน้าตาลมันหวานเพราะเรากินมาแล้วรู้ว่าขนมนี้อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเพราะเรากินมาแล้วเพราะในการที่เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความเชื่อแต่เกิดจากสัมสัมผัสตรงซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราเพราะฉะนั้นคำถามนี้สำคัญมาก คำถามนั้นสำคัญมากว่าผู้ที่ไม่เจริญอินทรีย์แล้วสามารถกระทำมักผลให้แจ้งได้เชื่อไหมไม่เจริญเคยลองสังเกตตัวในอินทรีย์ห้าเนี่ยศรัทธามันก็เป็นสมาสังกัปปะบริยะก็เป็นสมาวยามะสติก็เป็นสมาสติ สมาธิก็เป็นสมาธิจิสมาธิก็เป็นสมาสมาธิปัญญาก็เป็นสมาธิทิตสมาธทางกับปัทีนี้คนคนหนึ่งนี่ไม่จะเดินเลยไม่เดินไม่ตามหลักของอรอยิยมรรคเลยเล้วจะสามารถบรรลุมรรคผลได้หรือพระสารีบุตรไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่าสิ่งนี้ไม่มีแล้วก็สิ่งนี้จะมีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้วาการปลูกต้นมะม่งวงไม่มีเนี่ยต้นมะม่งวงจะเกิดขึ้นมาไม่ได้การอาบน้ําไม่มีเนี่ยความสะอาดจะเกิดขึ้นมาไม่ได้การกินอาหารไม่มีในความอิ่มจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นี่ก็คือคือเป็นกฎกอเหตุผล น, นะเป็นกฎกอเหตุผล แต่พออธิบายเนี่ยให้ลองสังเกตว่าชนใดไม่ต้องเชื่อผู้อื่นด้วยรู้พระนิพพานที่ปัจจัยทำไม่ได้ด้วยคือหมายความว่าคนใดมีประสบการณ์ตรงตามหลักของอะไรล่ะปัจจตังเวดีตบโบวิโยชิวิญยูชนจะรู้ได้เฉพาะตอน ธรรมปฏิบัตินีนเรื่องใครรู้ใครเข้าใจใครปฏิบัติได้เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่เกี่ยวกันเลยนั่งฟังเทศอยู่ร้อยรูปเนี่ยต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างสัมผัสผลยิ่งย่อนแตกต่างกันบรครั้งมคราเราก็พบว่าพระเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาชีหนึ่งเนี่ย คนบรรลุมักผลตั้งแปดมื่นสี่พันมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนใกล้ๆตอนศัตรูใหม่ๆเนยคนเท่าไรล่ะสิบสองหนหุหนหุหหนึ่ง เ, เท่ากับหนึ่งหมื่นสิบสองหน้หูเท่ากับแสนสองแสนสองหมื่นคน ฟังธรรมเทศนาแล้วบรรลุโสดาปติผลถึงสิบเอ็ดนาุดก็คือแสนหนึ่งหมื่นคนอีกหนึ่งหมื่นคนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นเรื่องต่างคนเรื่องเฉพาะตัวคนแต่ละคนเพราะถ้าท่านฟังลองสังเกตในธรรมคุณ ในธรรมคุณเราจะพบว่าสวากขาโตกับอากาลิโกนั้นเป็นสถานภาพของธรรมะเอปัสสิโกเป็นปริยัติโอปะนายโกเป็นปฏิบัติแต่ว่าสันทิติโกกับปัจจตังวิธิบุญโยหินั้นเป็นปฏิเวทพู้ถึงปฏิเวทไว้ทั้งสองข้อหมายความมาพูดบรรลุจะพึงเห็นได้เองประการนึ่ง แล้วคนคนนั้นแหละจะต้องเป็นวินยุชนเคนวินยุชนเท่านั้นที่จะรู้ได้เฉพาะตนตาไม่ใช่วินยุชนมันก็รู้ตามไม่ได้แม้จะก่อเกาะชายจีวรของพระพุทธเจ้าไปในสถานที่ต่างๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆก็ทําให้เราได้หลักอย่างหนึ่งว่า เราจะเกิดทันพระพุทธเจ้าหรือไม่ทันเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเราประเด็นว่าเราพบพระพุทธศาสนาหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเอาธรรมะบรรจุเข้าไปในจิตเราได้เพียงแต่เราต้องน้อมนํามาศึกษาสมัยที่ทรงประชันอยู่เราก็ด้วยการฟังสมัยไม่ทรงประชันอยู่เราก็อ่าน แล้วก็เรียนรู้โดยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงมีพระธรรมวินัยเป็นศาสนาแทนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครให้เป็นศาสนาแทนพระองค์ที่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่ไม่ต้องเชื่อคนอื่นก็ได้สัมผัสทรงรู้พรนิพพานที่ปัจจัยธรรมไม่ได้ เพราะวันนี้ผานไม่มีเหตุปัจจัยแต่เราเทียบอริยมรรคแล้วนี่มันเหมือนกับจะโวดสัตย์เถิที่ก็ยิงดาวเทียมยิงดาวเทียมขึ้นไปสู่อวกาศยิงจะโวดขึ้นไปสู่อวกาศอริยมรรคก็เป็นโลกยิยาก็เหมือนก็นจะโวดอ่ะยิงเพื่อนขึ้นไปสู่อวกาศแต่ว่าตัวเองลงปรับมาที่ดินคือไม่ได้ขึ้นไปด้วย ควานิพพานเนี่ยมันปัจจัยอะไรทําไม่ได้มันเป็นผลสุดท้ายพอบรรลุนิพพานปั๊บมันก็หมดเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วท่านจะดํารงอยู่อีกกี่ปีก็ตามก็ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ดํารงอยู่อย่างนั้นน่ก็เรียกว่า เป็นตาที่โนคือคงชี้อาจจะโลคือไม่หวั่นไหวไว่าโลกจะเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงอารมณ์ก็เป็นยังไงสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงก็ตามท่านก็ไม่หวั่นไหวตัดเครื่องต่อเสียด้วยเครื่องต่อนั้นส่วนใหญ่ก็คือกิเลสกรรมิีบาทในนั้นเครื่องต่อใหญ่ แต่เรื่องต่อในชีวิตประจำวันเนี่ยคือยัตตนาภายในยัตตนาภายนอกเนี่ยที่สัมผัสกันมันมีแต่เหมือนไม่มีรูปก็สักแต่ว่รูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่รสเย็นร้อนนอนแข็งก็สักแต่ว่าเย็นร้อนนอนแข็งธรรมารมก็สักแต่ว่าธรรมารมตาก็สักแต่ว่าตาหูก็สักแต่ว่าหูจมูกก็สักแต่ว่าจมูกลิ้นก็สักแต่ว่ลิ้นกายก็สักแต่ว่กาย ใจก็สักแต่ว่าใจไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะนั้นก็อยู่ท่ามกลางความวันไหวแต่ว่าตัวเองไม่วันไหวโลกมันคงหวันไหวยังนั้นแหะชาวโลกก็วันไหวยังงั้นแต่ว่าท่านที่ถึงจุดนั้นแล้วท่านจะไม่วันไหว ก็อย่าที่เคยยกตัวอย่างว่าช้างนาลาครีวิ่งเป่นๆๆๆๆๆๆมาเนี่ยเมามันเต็มชี่เมาเหล้าเต็มชี่วิ่งมาจะแทงพระพุทธเจ้าชาวบ้านก็ตื่นเต้นสนุกพระบางองค์ก็ขยับตัวแต่พระพุทธเจ้าประทับยืนเฉยรานน์ซึ่งเป็นพระโสดบัน แต่ว่าเคารพตัวทนพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าเป็นพระเชษฐาด้วยเป็นพระาศาสดาด้วยและตัวเองเป็นเหมือนกับเลขาประจำพระองค์ด้วยก็ยืนจัดแล้วก็ทลันออกไปข้างหน้าเพื่อจะพระตาช้างนาลาคิดีเอาไว้นั่นแสดงว่าเนินขึ้น่างก็เป็นกษัตริย์เป็นราชกุมาร แล้วก็เป็นพระนุชาแล้วก็เป็นสาวกแล้วก็เป็นพุทธอุปถากเป็นหลายเรื่องมันผูกพันกับพระพุทธเจ้ามากความกล้าหาญของท่านไม่ใช่เพราะหมดกิเลสเพราะว่ามานะท่านยังมีอยู่แต่ท่านก็พร้อมที่จะเสียสละปีชีพเพื่อถวายพระพุทธเจ้าปกป้องพระพุทธเจ้าเอาไว้แต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้วันไหว ยิรับสังกับพระนรเรียบๆไม่แสดงการตรื่นเต้นอะไรก็ต่อไปก็มีโอกาสอันขจัดแล้วด้วยมีความหวังอันคายแล้วด้วยหมายความว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นจะนี้เป็นอย่างโน้นอะไรต่า ง, า ง, า ง, า ง, างๆเนี่ยขจัดได้หมด ไม่มีการแสวงหาจังหวะโอกาสช่วงเวลาเงื่อนไขต่างๆจากที่สามัญชนเขาใช้กันเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีความหวังอะไรว่าต่อไปเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนู้นมันมั น, ม, นมันไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวังก็เรียกว่ามีความหวังนั้นออกไปจากใจแล้ว ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วออกบินตบาทจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนเช่นนั้นแหละเป็นบุรุษสูงสุดหมายความว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยสูงสุดยังไงล่ะสูงสุดในด้านมีปัญญาสูงสุดมีบริสุทธิ์สูงสุดมีกรุณาสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งหลาย เราจะเห็นว่าคำถามนั้นเป็นปริศนาธรรมถามแบบเชิงปริศนาหรือถ้าเราไม่ได้ดูคำเฉลยนะไม่ดูคำเฉลยก็งงเหมือนกันนะคือในพระคาถาธรรมบทเนี่ยบางบทเนี่ยถ้าคนฟังไม่คือพระไม่เคยกล้าออกมาเทศน์บ ร, รเทศไม่ทันหมายความมาอธิบายแล้วเนี่ยเวลาไม่ให้ แล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอาหารหันต์ในกรณีนี้ก็เหมือนกันอัศทโทคือไม่มีศรัทธาอักตัญยคือเป็นคนอกตัญยุอกตัญยุในที่นี้แปลว่าไม่กระทาแปลว่าไม่กระทาไม่ใช่เป็นคนอักตัญญุอย่างนั้นคือไม่รู้ประการุณอะไร จนเหล่าใดไม่ต้องเชื่อผู้อื่นด้วยรู้ปณิพนิพานที่ปัจจัยทำไม่ได้ด้วยตัดเครื่องต่อเสร็จแล้วด้วยนี่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์เพราะงั้นมันเราก็ภาคภูมิใจอ ย, ย่างหนึ่งแม้เราจะยังไปไม่ถึงนะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ไปสัมผัสผลกรามกำลังความสามารถของตัวเองมันก็เป็นโอกาสที่ดีละเพราะว่าคนในโลกถึงหกอะไรละ่ะหกพันแปดร้อยล้านคนที่พบพระพุทธศาสนาก็มีไม่มากได้ศึกษาจะเกิดความเข้าใจก็มีไมก่ก แล้วศึกษาแล้วปฏิบัติจนสัมผัสผลได้บางระดับก็มีไม่มากแล้วยิ่งบรรลุมรคผลนี่ผ่านยิงยิงน้อยลงไปใหญ่จะมีเมื่อต้นเดือนมีนาเนี่ยปลายเดือนมีนานะครกลางเดือนก็มีทูตจากฟิลิปปินส์มาบวชเพราะเป็นห่วงโยมมารดาที่ แกชราแล้วก็ป่วยป่วยหนักก็ต้องการให้พอ่อให้แม่ได้เห็นผ้าเหลืองแม่ก็ฟื้นขึ้นมานะฮะแข็งแรงขึ้นแต่สิ่งที่กระตื่นเต้นเนี่ยพูดแล้วพูดอีกนะฮะเจอแล้วพูดแล้วพูดอีกคือตอนแก บ, บวชขอก่อนเนี่ยจริงสามเดือนออกมาก็เป็นครูสอนนักธรรมตอนนี้ก็บวชสิบห้าวัน วันที่ส6 ก, ก็สศึกแต่กระต่นเต้นที่ได้ฝังเทพธรรมะที่บรรยายที่ตึกสวบ้างที่บรรยายออกสถานีวิจิตก็จะเสียงอย่างนี้บ้างก็ดีดนิจัยนะแสดงความชื่นชมแล้วจบ ช, ชมอีกจนวันมาลากลับก็ยังพูดถึงเทปนี้อยู่ แล้วก็จะเอากลับไปฟิลิปปินส์ต่อไปก็จะถูกย้ายไปสเปนฮะคงจะเอาไปสเปนต่อคือทําให้รู้จักพระาศาสนามากมากขึ้นพอมาฟังนักธรรมยันตรีเนี่ยเข้าใจได้เร็วพอนักธรรมยันโทเข้าใจยากขึ้นพอประชุมก็ยิ่งยากขึ้นมันก็ท้าทายสติปัญญาให้คิดให้คิด เพราะว่าเป็นคนเรียนดีนะฮะเฉลียวฉลาดอ่านหนังสือได้ไวมากดังนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องซ้ำนะนะคือซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นแนหะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงก็ซ้ำอย่าน้อยก็ข้อแรกก็กระตุ้นให้ฝังข้อที่สองก็กระตุ้นใา้ติดตาม ข้อที่สามก็กระตุ้นให้คิดข้อที่สี่ก็กระตุ้นให้พิจารณาข้อที่ห้าก็กระตุ้นให้นํามาปฏิบัติแล้วเราฟังตามไปเรื่อยๆอย่างพวกประสูตรทั้งหลายเวลาเรามาสวดแปลนะสวดแบบแปลนแล้วก็นั่งฟังหลับตาเลยไม่ต้องสวด หรือสวรครอไปเบาๆแต่เราใช้ความคิดมากกว่าคิดตามกระแสะเสียงที่มีการสวดก็จะเกิดปีติประโมทขึ้นมาภายในใจประเด็นนี้ไหนที่สุดก็จบลงด้วยภิกษุเหล่านี้ก็บรรลุมรกรลนไปนี่ก็เป็นผลงานของพระเถระ มีวิธีการคือเข้าถึงพระไถยของพระพุทธเจ้าว่ามีพระประสงค์จะตอบอยังไงก็รู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์จะให้ตอบอยังไงแล้วกะทั่งก็ตอบไปตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผลดีงามก็เกิดขึ้นแก่ภิกสุทั้ง30สรูปนั้ น, นท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้